เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อที่เขาทำเจาะจงพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้สีหะเสนาบดีเห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเราใจให้อาจหารแกล้ากล้าปลอบฉโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุรู้อยู่ไม่พึงฉันเนื้อที่เขาทำเจาะจงรูปใดฉันต้องอาบัตทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตปลาเนื้อเป็นของบริสุทธิ์ด้วยอาการสามอย่างคือหนึ่งไม่ได้เห็น 2. ไม่ได้ยินสม ไม่ได้นึกสงสัย